ตอนที่ 39, ส9สู่ม่้าูมานอินออกโทรทัศน์แล้วณบ้านตระกูลซูเมืองตรงไห่ซูเมียวหลิง ท, ที่กำลังเบื่อหน่ายนั่งอยู่บนโซฟาในห้องโถงชั้นหนึ่งนางถือรีโมทคอนโทรลพลางกดเปลี่ยนช่องโทรทัศน์สีโซนี่เครื่องใหญ่ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นไปเรื่อยๆ่ทันใดนั้นภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ประจมบนทนช่องหนึ่งก็ดึงดูดสายตาของนางไว้สูมานอินนางยังมีชีวิตอยู่อีกหรือ ในโทรทัศน์ซูม่านอินยังคงดูสดใสมั่นใจและสวยงามเหมือนเช่นเคยสู้เมียวหลิงไม่คาดคิดเลยว่าคนที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วจะยังสามารถใช้ชีวิตได้ดีถึงเพียงนี้ครอบครัวพนักงานนั่นหมายความว่านางแต่งงานแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ซุนเทียนอวีก็คงจะไม่นึกถึงนางอีกแล้วใช่หรือไม่สู้เมียวหลิงยังไม่ทันได้ดีใจถึงหนึ่งนาทีก็เห็นรายงานข่าวระบุว่าสามีของนางเสียชีวิตแล้ว ในใจของซูเมียวหลิงรู้สึกท้อแท้ขึ้นมาวูบหนึ่งให้ตายเถอะทําไมคนที่ตายถึงไม่ใช่ซูม่านอิงกันนะขณะที่กําลังคิดฟุง้งซ่านซูม่านเฉิงก็ถือของเดินเข้ามาจากข้างนอกพี่คะที่กลับมาแล้วซูเมียวหลิงรีบเปลี่ยนช่องโทรทัศน์อย่างลนลานจากนั้นก็ปิดโทรทัศน์ลงนางลุกขึ้นยืมยิ้มอยู่ข้างโซฟาแสดงท่าทางสำรวมแนละเรียบร้อยฉันอ่านหนังสือจนปวดตาเลยลงมาดูโทรทัศน์พักผ่อนสักครู่นะคะ ซูม่นเฉิงมีสีหน้าเคร่งขรึมน้องสาวคนนี้ย้ายมาอยู่ที่บ้านได้หลายเดือนแล้วแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเขามักจะรู้สึกถึงความห่างเหินอยู่เสมอถ้าอ่านหนังสือจนเหนื่อยก็มองออกไปดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างบ้างการดูโทรทัศน์ไม่ดีต่อสายตาทราบแล้วค่ะพี่ซูเมียวหลิงยิ่งคงมีรอยยิ้มประดับมุมปากแต่ในใจกลับบ่นพึมพำโทรทัศน์สีเครื่องใหญ่ถ้าไม่ให้ดูแล้วจะซื้อมาตั้งโชหรืออย่างไรซูมั่นเฉิงเดินเข้าไปหาพลางยื่นของที่ซื้อมาให้ นี่คือหนังสืออ่านนอกเวลาไม่กี่เล่มโรงเรียนมัธยมปลายใกล้จะเปิดเทอมแล้วเธอต้องรีบทบทวนนัพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้าให้ได้ขอบคุณคถะพี่ซูเมียวหลิงรับหนังสือมาอย่างมีมารยาทจากนั้นก็ทอดถอนใจหากฉันได้กลับบ้านเร็วกว่านี้บางทีอาจจะได้ไปเรียนหนังสือพร้อมกับพี่ม่านอินแล้วซูม่านเฉิงได้ยินชื่อซู่ม่านอินแล้วในใจก็รู้สึกเจ็บแปลบหากไม่ใช่เพราะท่านแม่ที่แข็งกร้าวเกินไปบางทีนี่ยังมีถังกว่าอีกสองลูกซื้อมาให้เธอทาน ซูม่านเฉิงชี้ไปที่ถังกว่าสองลูกที่คลุกด้วยน้ำตาลมอนจากนั้นก็กําชับอีกประโยคของร้านจังจี้หวานมากนะพูดจบเขาก็เดินขึ้นบันไดไปเพียงลำพังซูเมียวหลิงถือถังกว่าไว้พลางทาหน้าเซ็งนางไม่ชอบทานของหวานที่สุดคนที่ชอบทานของหวานคือซูม่านอินต่างหากเห็นได้ชัดว่าในใจของซูม่านเฉิงยังคงจดจาแต่รสนิยมของน้องสาวคนดีของเขา ซูมานอินที่ชอบทานของหวานในเวลานี้กําลังอมลูกอมรสส้มไว้ในปากพลางยุ่งกับการเก็บเงินจะว่าเป็นลูกอมรสผลไม้ในยุคนี้รสชาติไม่เลวเลยจริงๆซูมานอินไม่คิดเลยว่าคนที่แม้แต่เค้กยังรังเกียจว่าหวานเกินไปอย่างนางจะมารู้สึกติดใจลูกอมรสผลไม้ในปี1982ได้ฉินเสียวเย่เว่พูดอย่างภูมิใจอร่อยใช่ไหมและโชคดีที่ฉันมือไวคว้ามาได้ตั้งหลายเม็ดสหายฮซูคุณออกโทรทัศน์และนรู้ตัวหรือเปล่า เฉียวหงก็มาซื้อโรเจียหมัวเช่นกันเมื่อเห็นซูมานอินกำลังยุ่งอยู่จึงถือโอกาสทักทายเป็นสถานีโทรทัศน์ประจำมณฑลด้วยนะผู้อํานวยการโรงงานอย่างบอกว่าคราวนี้โรงงานท่าผ้าถือว่าได้โฆษณาฟรีๆเลยละ่ะซูมานอินพยักหน้ายังไม่ทันได้ตอบอะไรชินเสี่ยวเยเว่ที่อยู่ข้างๆก็เริ่มบ่นขึ้นมาก่อนที่บ้านเราไม่มีโทรทัศน์จะไปเห็นได้อย่างไรกันล่ะคะซูมานอินรู้ดีว่าชินเสี่ยวเย่ยังคงแง่งเอนเรื่องที่นางไม่ยอมซื้อโทรทัศน์อยู่ ขอเพียงแค่ให้ผลลัพธ์ในการประชาสัมพันธ์ออกมาดีก็พอแล้วฉันจะเห็นหรือไม่นั้นไม่สําคัญหรอกซูมานอินเหลือบมองฉินเสี่ยวเย่แว่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กระแอรไมแล้วกล่าวเสียงดังความสําเร็จไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ตัวฉันแต่ความสําเร็จจะต้องมีฉันรวมอยู่ด้วยในฐานะผู้มีส่วนร่วมคนหนึ่งฉันก็ถือว่าโชคดีมากแล้วไม่กล้าหวังสิ่งใดเพิ่มเติมอีกความสําเร็จไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ตัวฉันแต่ความสําเร็จจะต้องมีฉันรวมอยู่ด้วย เฉียวหงและเพื่อนร่วม ง, งานที่อยู่ข้างๆต่างพากันครุ่นคิดถึงประโยคนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าซูมานอิน ม, มีอุดมการณ์ที่สูงส่งเหลือเกินสวรร์สหายซูความคิดของคุณช่างสูงส่งจริงๆไม่ได้การแล้วฉันต้องซื้อโรเจีย์หม้อเพิ่มอีกสองลูกเพื่อสนับสนุนคุณมาฉันก็ขอซื้อเพิ่มอีกสองลูกเหมือนกันฉินเสียวเยเวที่อยู่ข้างๆเบ้ปากช่างเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเสียจริงไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็เอาตัวรอดได้เสมอ สหายม่านอินยัมีโรคเจียมหัวเหลือไหมซูม่านอินเงยหน้าขึ้นมองพบว่าเป็นเกาฉางเหอวันนี้เขาใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวสะอาดสะอา้านผมเผผาดูเรียบร้อยเมื่อลมพัดผ่านก็มีกลิ่นหอมสดชื่นของมิลลอยมาแสงแดดที่ลอดผ่านใบต้นยางตกลงบนใบหน้าที่มีโครงหน้าชัดเจนของเขาฟันขาวเรียงตัวสวยที่มาพร้อมกับความสดใสและมีชีวิชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนี้ วันนี้หัวหน้าสถานีเกาแต่งตัวดูสะอาดสะอา้านจะมีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าคะซูมานอินถามยิ้มยิ้มไปนัดบอดเหรอเกาช้างเหอขมวดคิ้วสหายซูผมมีธุระสำคัญจริงๆแต่ไม่ใช่การนัดบอดเกาช้างเหอชะงักไปครู่หนึ่งสายตาพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจังขึ้นมาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหูที่ชอบสอดรู้สอดเห็นของชิ้นเสี่ยวเย้าขยับเข้าไปใกล้ทันที เมื่อเห็นเกาฉางเหอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหัวใจของเธอก็อดไม่ได้ที่จะเต้นรัวหรือว่าหัวหน้าเกาคนนี้จะสารภาพรักกับแม่เลี้ยงของเธอแล้วาว่าผลลัพธ์กลับเป็นดูนี่บัตรผู้สื่อข่าวพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไห่เฉิงชินเสี่ยวเย่เว่ยมองบัตรกระดาษที่แกว่งอยู่ในมือเขาด้วยสีหน้าดูแคลนแต่ซูมานอินกลับดีใจมากเธอรีบรับบัตรใบนั้นมาบนนั้นถึงกับมีรูปถ่ายของเธอติดอยู่ด้วย แม่เลี้ยงขับไปถ่ายรูปมาตอนไหนเนี่ยสวยเชียวค่ะซุนจิวหลิงก็ขยับเข้ามาดูด้วยเธอไม่นึกเลยว่าแม่เลี้ยงของเธอจะได้กลายเป็นพนักงานนอกเครื่องแบบของหน่วยงานในเมืองส่วนใหญ่น่าจะเป็นรูปที่ตากล้องแคปมาจากวิดีโอนั่นแหละซูมานอินคาดดาเธอเงยหน้ามองเกาฉังเห่อแต่หัวหน้าเกาคัทไมบัดถึงมาอยู่ที่คุณได้ละผมไปทําธุระที่สถานีโทรทัศน์ประจําเมืองพอดีเจอพอออลีเขาก็เลยรับมาให้ด้วยเลยครับ เกาช้างเหออธิบายสั้นๆแต่ซูมานอินกลับสังเกตเห็นข้อมูลสำคัญคุณรู้จักกับผู้อำนวยการหลี่ช้างหงด้วยหรอคะอืมเกาช้างเหอพยักหน้าตอบเธอเป็นน้าสาวของพี่เขยผมครับซูมานอินร้องอ้อออกมาคำหนึ่งเป็นเชิงเข้าใจที่แท้ก็เป็นญาสนิทกันนี่เองซุนจิวหลิงกำลังจะส่งโรเจียหมัวที่ทาเสร็จแล้วให้เกาช้างเหอแต่กลับถูกชินเสี่ยเวเย่แย่งไปเสียก่อน เธอส่งโร่เจียวหมัวให้ซูมานอินทั้งซุนจิ๋วหลิงและซูมานอินต่างมองฉินเซียวเย่เว่ยอย่างสงสัยพร้อมกันมองฉันทำไมล่ะรีบส่งให้หัวหน้าเกาศิขอบคุณที่เขาอุตส่าห์เป็นธุระเอาบัตรมาให้ไงซุนจิ๋วหลิงเข้าใจทันทีจึงหันหน้าหนีไปยุ่งกับงานอื่นส่วนซูมานอินถลึงตาใส่ชินเสี่ยวเย่เว่ยอย่างแรงหนึ่งทีหัวหน้าก็ลองชิมดูคันี้เป็นเนื้อที่ซื้อมาจากบ้านลุงหลินได้ครับเกาช้างเหอวางเงินสีเหมาลงไป จากนั้นก็รับโรเจียหมูมาพรังกัดไปคำหนึ่งอืมอร่อยซูมานอิงเก็บบัตรผู้สื่อข่าวพิเศษจากนั้นก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินปึกหนึ่งออกมาหัวหน้าเกรนีเป็นเงินค่าตู้แช่แข็งเก็บไว้ให้ดีนะคะเก้าช้างเฮอประหลาดใจเล็กน้อยสหายซูผมมาที่นี่เพื่อซื้อโรเจียหมูจริงๆไม่ได้มาทวงหนี้หรอกครับเรื่องเงินน่ค่อยๆ ค, ค, คืนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเก็บเงินครบแล้ว ซูมานอินไม่ได้บอกว่าหลายวันมานี้ช่วงเที่ยงพวกเขาตั้งแผงที่โรงงานทอผ้าส่วนช่วงบ่ายก็ไปที่โรงงานเครื่องจักรพวกอาจารย์ที่โรงงานเครื่องจักรกินจุมากกว่าอาจารย์ที่โรงงานทอผ้าเยอะแถมยังยอมจ่ายเพื่อของกินดีๆมากกว่าด้วยทําให้รายได้สูงกว่าทางโรงงานทอผ้ามากทีเดียวเก้าช้างเหอตกใจกับความเร็วในการหาเงินของซูมานอินสาหัสซูมานอินผมว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคุณคงมีโอกาสได้ออกทีวีอีกรอบแน่ๆ